การปฏิบัตินะมันไม่ยากจริงๆพูดเรื่อยๆว่าไม่ยากไม่ยากจริงๆแต่ต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นถ้าไม่รู้หลักนะก็ทำแบบฟลุกๆถ้มีบุญบา ร, รมีเก่ามาแล้วก็ทาไปถูกช่องมันบุญบา ร, รมีไม่มีก็ทำเพี้ยนออกไปโอกาสเพี้ยนนะเยอะมากเลยถ้วพลาดออกไปจากหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้ สมัยก่อนหลวงพ่อภาวนาไม่รู้หลักครูบาจจอาจารย์สอนให้ทำอะไรก็ทำไปลูกเดียวเลยไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนให้ท่านบอกเ ป, ป็นช็อตๆไปจากนี้แล้วค่อยๆก็ บ, บอกต่ออะไรย่านตอนเด็กๆ เ, เรียนกับท่านพ่อรีท่านสอนทำอนาปนาสติ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ2แล้วสอนให้เท่านี้เราเด็กเราก็ไม่รู้วยทำไงท่านสอนให้ทำก็ทำจริงๆทำทุกวันเลยไม่เลิกหรอกหายใจไปหายใจไปมันสว่างขึ้นมามันเด็กมันไม่มีมารยาเด็กๆครูบาอาจารย์ให้ภาวนาไงนะไม่คิดมากถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องคิดมาก ครูบาอาจารย์บอกหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทนับสองตามไปด้วยไม่ได้คาดหวังอะไรลมหายใจค่อยสั้นๆั้นใจเป็นแสงใช่ไหมเป็นแสงสว่างจากแสงสว่งางเท่านี้ไม่รู้จะไปยังไงต่อก็ไปเล่นออกเที่ยวเล่นข้างนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นเที่ยวเล่นอะไรเพลินเลินเล่นไป น, นั้น วันหนึ่งมันฉเฉลียวใจขึ้นมาว่าไม่มีสาราะแก่นสารเราไปเที่ยวสวรรค์ น, นะเราก็อยู่ในสวรรค์ไม่ได้เห็นดอกไม้ของเทวดาสวยเก็บเอามาก็ไม่ได้เห็นของกินเขาอร่อยก็เก็บมาไม่ได้รู้สึกไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาอันนี้ใจมันต้องเคยเจริญปัญญามาบ้างมันเกิดฉเฉลียวใจขึ้นมาว่านไม่ใช่ทาง แต่ไม่รู้จะไปยังไงก็ทําอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ออกไปเที่ยวใจมัได้ตัวรู้ขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้เอาไปทําอะไรอีกตัวรู้ใจก็รู้สึกคอยรู้สึกตลอดหายใจแล้วไม่ให้เคลิบหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกจนตัวรู้เนี่ยเด่นแต่ว่าบางทีตัวรู้ก็หายไปเข้าไปรวมกับอารมณ์ไปรวมกับแสงสว่างอะไรเงี้ยก็แยกไม่ออกหรอก ว่าสมาธิมันมีหลายแบบว่าคิดทําไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งคงจะดีเองจริงจิตมันพลิกไปพลิกมาระหว่างสมาธิสองแบบสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตรวมเข้ากับอารมณ์อันเดียวอันนั้นคือจิตมันไปทําสมถกรรมฐานสมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นคนดูอั น, นี่เป็นสมาธิที่ใช้ทํำวิปัสสนากรรมฐานแต่ตอนนั้นไม่รู้ ทำมันพลิกไปพลิกมาสองแบบทําทำอย่างนั้นส่วนอายุเยอะยนะุยี่สิบเก้าถึงไปเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตตัวเองฟังแล้วมันไม่ต่อกับของเก่าของเก่าทำอานาปณสติของใหม่หลวงปู่บอกให้ดูจิตภูมิปัญญาของครูบาอาจารยนะ์สูง ท่านเห็นว่าเราทำมาถึงจุดไหนแล้วต่อไปควรจะทำอะไรท่านไม่อธิบายหรอกท่านบอกเลยว่าให้ไปทำอย่างนี้คนรุ่นเราเนี่ยจะทนไม่ได้จะต้องถามว่าทาไมต้องทำอย่างนี้ทาอย่างอื่นไม่ได้เหรออะไรนี่หลวงปู่บอกให้ดูจิตเคยทำอาณาปณะสติมาดูจิตดูไม่เกี่ยวกันเลยก็หัดดูจิตต้องอยู่ในกายจิตไม่ได้ไปอยู่ข้างนอก คิดอย่างนี้นะทีแรกหลวงปู่บอกให้ดูจิตเนะ่ก็คิดว่ารู้เรื่องออกจากวัดท่านขนะึ้นรถไฟมารถไฟเคลื่อนจากสุรินทร์มาจะมาโคราชจะมาหาหลวงพ่อพุธรถไฟเคลื่อนมาปุ๊บนึกขึ้นได้หลวงปู่ให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้จะ อ, อะไรไปดูไม่ ร, มรู้ไม่รู้สักอย่างเลยตกใจตกใจทําอะไรไม่ถูกขับมาหายใจใหม่ขับมาพุทธโธใหม่มันเป็นเอง ทำอะไรไม่ถูกนี่ก็คือหลักของการปฏิบัติข้อนึงถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ไ ด, ด, ไได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะนะการปฏิบัติมันมีแนวรุกแนวรับหลวงพ่อก็มาหายใจพุโทโธไปหายใจไปให้จิตสงบหายตกใจแล้วเมื่อหลวงปู่ให้ดูจิตเราไม่รู้จะดูยังไง พอหายตกใจแล้วสติปัญญามันเกิดแต่ น, นี่เป็นปัญญาจากการคิดเนีย่ยไม่ใช่วิปัสนาปัญญาเป็นปัญญาจากการคิดว่าท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้จิตต้องไม่อยู่ข้างนอกนั่นต่อไปนี้เราจะคอยวนเวียนดูอยู่ในกายนี้ไม่ให้เกินกายออกไปนี่ก็เป็นหลักการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งข้อแรกก็คือทาอะไรไม่ได้ ท, ทาสมถะไว้ก่อนดูกายไม่ได้ดูจิตไม่ได้ ท, ทาสมถะ ข้อสองก็คือการปฏิบัติอย่าให้เกินกายออกไปวนเวียนดูอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละตอนนั้นยังไม่รู้หลักที่พระพุทธเจ้าบอกหรอกไม่รู้คำว่าสมถาวิปัสนาอะไรทำดุยดุยมาครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำเอาขืนไปถามท่านแนละ้วเดี๋ยวท่านไม่สอนต่อนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่เหมือนรุ่นหลวงพ่อนะสักโนนถามนี่อตอบไปเรื่อยๆไม่ตอบกกลัวโกรธนะ เดยเวรกรรมก็ต้องตอบให้เนี่พอ ร, รู้ว่าเราไม่เกินกายออกไปนะก็ดูแล้วจิตอยู่ที่ไหนทีนี้จิตอยู่ที่ผมหรือแค่จิตอยู่ในร่างกายเนะี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่านะกำหนดจิตจะไปที่ผมไปดูเที่ยวหานะจับผมยาวเพื่อนยาวเหมือนพวกเรานะจับเห็นมีจิตตรงไหนเลย อยู่ที่ขนเลจับมีขนชิวด้วยจับไม่เห็นมีจิตเลยอยู่ที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกเลยไล่หาทีละส่วนนะจากหัวถึงเท้าจากเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงหาจิตไม่เจอจิตดูในกายแต่จิตไม่ได้อยู่ในส่วนใด ส, ส่วนหนึ่งของกายมันอยู่ตรงไหนหรือว่าจิตอยู่กับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ดูลงไป นั่งไปนั่งสมาธิจิตสบายมีความสุขดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ออกมาเลยหรือว่าจิตอยู่กับความทุกข์นั่งนิ่งๆไม่กระดุ ก, กระดิกนั่งนานให้มันปวดปวดมากๆเลยแล้วดูลงไปที่ความปวดดูผิวแนกะันนั่งไปจนมันหายปวดเลยหายปวดไปแล้วไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลย จิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายในกายนี้มีเวทนาด้วยจิตก็ไม่ได้อยู่กับเวทนาในจิตใจก็มีความสุขความทุกข์ด้วยก็ไม่ได้อยู่ในความสุขความทุกข์นั้นหรือจิตอยู่ในความคิดคิดอย่างนี้เราจงใจคิดสวดบทบ ท, บทสวดมนต์นะพุทธโธสูตสุตโธกรุณามาหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมาหานันโน สวดบทมนสวดมนนะก็เห็นความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาไหลวืร์บขึ้นมาจากความว่างว่างนทีที่สติระลึกรู้ความคิดที่ผุดขึ้นความคิดขาดสะบั้นลงไปตัวรู้ก็โผล่ขึ้นมาตรงที่เรารู้ทันจิตที่คิดจิตรู้ก็เกิดบอกเอ๊ะตัวนี้เมื่อก่อนนั่งสมาธิมันก็ไอตัวนี้แหละมันมาชนกันตรงนี้แล้ว ตอนนั่งสมาธิมาแต่เด็กยี่สปีที่นั่งสมาธิก็ได้ตัวรู้มาหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะพอมาหัดแยกขันไปเลยแยกแยกแย่กเข้ามาที่ตัวรู้ตัวจิตนี่เองอ้างมันตัวเดิมเนี่ยมันตัวเดียวกันก็เลยรู้นะตัวรู้เนี่ยมาได้สองวิธีมาด้วยการทําสมาธิลึกๆเลยก็ได้มาด้วยการมีสติรู้ทันจิตที่ลงไปคิดก็ได้ได้ตัวรู้เหมือนกัน แต่ตัวรู้ที่เกิดจากการนั่งสมาธิจะทรงนานอยู่หลายวันนะตัวรู้ที่เกิดจากการมีสติไประลึกรู้จิตที่หลงไปคิดเนี่ยตัวรู้นี้อยู่เป็นขณนะขณะถ้าเราทําตัวรู้ได้แบบใดได้ก็ใช้ได้ทั้งคู่นะถ้าตัวรู้จากการทำสมาธิมาเนี่ยตัวรู้อยู่นานจะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมได้ทํางานอยู่ได้นานแต่ถ้าตัวรู้ เราทำสมาธิไม่ได้เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดได้ตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้จะอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะเป็นตัวหลงอีกเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวหลงเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวหลงอันนี้ก็ไปเดินปัญญาได้เดินปัญญาได้เวลามันรู้ขึ้นมาเนี่ยทันทีก็เห็นกายจะรู้สึกทันทีว่ากายไม่ใช่เราพอตัวรู้เกิดขึ้นสติระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา ตัวรู้เกิดขึ้นสติไประ่องรู้สังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงสังขารคือความปรุงแต่งของจิตเช่นความโกรธความโลภความหลงอะไรเกิดข <oh, Or ึ้นจิตเป็นตัวรู้มันจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่คนด้วยไม่ใช่สัตว์ด้วยไม่ใช่ตัวเราด้วยแล้วตัวรู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดอันนี้ถ้าจะเดินปัญญานะ ตัวรู้ช่วขณะนี่วิเศษกว่าไอตาา้ตัวรู้ยาวๆซะอีกตัวรู้ยาวๆนี่เอาไว้เดินปัญญาในฌานหรือในอุปจารสมาธิออกจากฌานออกจากอุปราชระแล้วทรงอยู่ได้ เ, เดินปัญญาเห็นทุกอย่างเกิดดับหมดเลยยกเว้นตัวรู้นั้นต้องมาจัดการตัวรู้ทีหลังแต่ถ้าเราใช้วิธีเรารู้ทันจิตที่ลงไปคิดจะได้ตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้นี้อายุสั้น มันจะเห็นตัวรู้เกิดดับเนี่ยได้เปรียบตรงนี้นะเพราะงั้นไม่ใช่คณิกาสมาธิสู้อัปปนาสมาธิไม่ได้นะนี่ไม่ดีบารู้พระราหัสก่อนอีกพวกที่ทําสมาธิมามากักจะคิดว่จิตเที่ยงตัวรู้เที่ยงนี่เป็นพวกมีฌาติธิโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามีฌาทิธิจริงๆจิตนั่นเกิดดับตลอดเวลาดงั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตรู้ก็เกิด จิตรู word, error, ้อยู่ชั่วคราวก็จิตหลงไปคิดใหม่จิตรู้ก็ดับเมื่อเห็นจิตรู้เกิดดับได้อีกก็เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเรางั้นก็จะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโกรธความโลภความหลงอะไรไม่ใช่ตัวเราตัวจิตก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดก็ก็เกิดดับไปไม่ใช่ตัวเราเหมือนกัน ถ้าดูอย่างนี้ได้นะนี่แหละคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นต้องดูของจริงไม่ใช่คิดเอาบางคนไม่เข้าใจนะอย่างถ้าแต่ก่อนหลวงพ่อไม่เข้าใจหลวงพ่อพอนานเนี่ยพอหลวงปู่บอกให้ดูจิตตัวเองนะั้นดูไปวันแรกนะขันแยกออกไปหมดละกายอยู่ส่วนกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาสัญญาอยู่ส่วนสัญญาสังขารคือตัวความปรุงดีชั่วอะไรเนี่ยอยู่ต่างหากจิตอยู่ต่างหาก แยกกันออกเสร็จแล้วดูผิดอีกแล้วนะเข้าไปแทรกแซงจิตพอได้ตัวรู้ออกมานี่แหละตัวจิตละหลวงปู่ให้ดูจิตก็เลยรักษาตัวรู้เฝ้าประคองเฝ้ารักษาตัวรู้อยู่เวลาที่ตัวรู้ไหลเข้าไปรวมเข้ากับอารมณ์แต่เป็นจิตไหลไปรวมกับอารมณ์นะไม่ยอมหาทางแก้กไขให้มันหลุดออกมาเป็นตัวรู้อยู่ตัวรู้เนี่ยเด่นอยู่อย่างงี้เลยรักษาอย่างตลอดเวลาเลยห่วงแหนตัวรู้มาก ฝึกอย่างนี้สามเดือนตัวรู้เนี่ยเด่นดวงละก็ไปหาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วจิตมันนะมันทำอะไรได้ต่า ง, า ง, า ง, างๆนานานะแเรารู้ทันหมดเลยนี่ตอนนี้เราทรงอยู่ได้ท่านบอกว่าไปดูใหม่ยังไม่ได้ดูจิตเลยนั่นไปแทรกแซงอาการของจิตงั้นการที่เราแค่เราประคองจิตเรารักษาจิตนั่นก็หลงอาการของจิตละ ยังไม่ได้ดูจิตถ้าดูจิตจะต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิตถ้าไปดูจิตแล้วไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ไม่ใช่การดูจิตที่แท้จริงเป็นการดูจิตในขั้นการทำสมถะแต่หลวงปู่ไม่อธิบายครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่อธิบายพูดสั้นๆว่าไปหลงอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตหลงอาการของจิตเนี่ยไม่ได้หลงไปข้างนอกเลยนะเพราะหลวงพ่อไม่เล่นออกข้างนอกมานานตั้งแต่เด็กๆ แค่หลงรักษาจิตนั้นท่านก็ว่าหลงอาการของจิตแล้วเอาใหม่กลับมาหลวงปู่ว่าให้ดูนึกว่าดูมันเป็นยังไงวะดูไม่ใช่คิดดูไม่ใช่เพ่งดูก็คือจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ดูจิตมันทำงานไปก็เห็นเลยเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงนี่คือการเดินปัญญาเห็นจิตเกิดดับ ดูอยู่สี่เดือนไ ป, ส, นน 2, นปน 3, ส่งกันบ้านครั้งที่สองกราบท่านเป็นครั้งที่สมส่งกันบ้านครั้งที่สองหลวงปูบ่บอกทําถูกละรับรองให้เลยว่าทําถูกละช่วยตัวเองได้ละให้ไปทําต่อเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะดูของจริงดูสภาวะทำจริงๆถึงจะเป็นการทํำวิปัสสนาแต่ตอนนั้นไม่รู้คําว่าสมถวิปัสสนาหรอกทามั่วๆทําปนๆกัน อย่างบางทีดูจิตอยู่ดูจิตอยู่นะยครั้งที่สามที่ไปส่งกันบ้านท่านนะ่ะไปบอกหลวงปู่ผมดูจิตอยู่นะอยู่ๆมันวูบลงไปหนะลวงปู่บอกจิตมันเข้าสมาธิโอ้หลวงปู่ผมไม่ได้นั่งสมาธินะตอนนั้นคิดว่าถ้านั่งสมาธิต้องหายใจเข้าพูดหายใจออกโถนะผมดูจิตเฉยๆผมไม่ได้เข้าสมาธิหรอกหนะลวงปู่บอกดูจิตนั่นแหละจิตพลิกไปเป็นสมาธิเป็นช่วงๆ ไม่เดินปัญญาตลอดหรอกจิตมันพลิกเข้าหาสมถะเป็นช่วงๆเนะี่ยท่านอธิบายให้ฟังนะถึงรู้อ้อดูจิตนี่พลิกไปเป็นสมถะได้ด้วยนะจริงๆสมถะที่สูงที่สุดด้วยซ้ําไปคือเข้าอารูปได้นะดูจิตนะถ้าดูลมหายใจเนี่ยเข้าได้รูปฌานถ้าดูจิตเนี่ยเข้าอารูปฌานสูงกว่ารูปฌานอีกเนะี่ยครูบาอาจารย์้สอนสอนมานะค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกมาเรื่อนยะ ถามามาบวชการจะบวชละภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์รับรองแล้วว่าทําถูกหาครูบาอาจารย์องค์ไหนไม่มีองค์ไหนว่าทําผิดสักองค์เลยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นมีมากอย่างหลวงปู่สิมครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลวงปู่เทศอย่างงี้แต่และองค์แต่และองค์ไม่ธรรมดาพอมาจะมาบวชนะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า เราภาวนาเนี่ยเรามาบวชนะเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์ถ้ามีเรื่องติดขัดเราจะทํำยังไงดีต้องไปหาตํารามาอ่านดีกว่าบุกไปวัดมห า, าธาตุไปซื้อหนังสืออภิธรรมมานะบทเรียนอภิธรรมที่เขาเรียนกันนั่นแหละขนมาเป็นตั้งๆเลยเอามาใส่ตู้ไว้เดี๋ยวถ้าติดขัดจะมาอ่านภาวนาไปเรื่อยนะวันนี้ว่างๆหน่อยละะ มาพลิกๆดูบทเรียนแรกๆเรื่องจิตโอ้จิตอยู่ในนี้เองอะนะเรื่องจิตเราเรียนหลวงปู่ให้ดูจิตเราไม่รู้จะดูไงทนในตำรา ก, ก็มีเรื่องจิตมีเรื่องเจตสิกโอ้จิตกับเจตสิกนี่เราก็แยกเป็นนะแต่เราไม่รู้จักชื่อมันความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์อะไรนี่ตัวนี้เรียกว่าเจตสิกตัวรูป แต่เดิมก็คิดว่าผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นรูปไอ้นั่นเป็นแค่อาการปรากฏของรูปเท่านั้นรูปจริงๆคือธาตุดินน้ำไฟลมตำราเขาก็ดีนะตำราเขาก็มีดีๆอ่านไปถึงเรื่องบทสุดท้ายเลยสมถะวิปัสนาเฮ้ยไอ้ที่เราทำกันนะที่หลวงพ่อปฏิบัติมานะมันปฏิบัติมั่ว เดี๋ยวก็ทำสมาธเดี๋ยวก็ทำวิปัสสนาพลิกไปพลิกมานะไม่รู้เลยว่าทําทั้งสองอย่างแยกไม่ออกพอไปอ่านตําราเออใช่ว่ะใช่ว่ะใช่ว่ะนะอ่านแล้วนลงอย่างนี้นะย่เว้นอนภะิธรรมบางอันนะพภิธรรมบางอันมันเฟือมันเพี้ยนมันแต่งขึ้นที่หลังอย่างเป็นต้นวนะ่าเรื่องโลกในเรื่องวัตถุนี่นะในตําราอภิธรมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกอย่างเรื่องโลก ทฤษฎีโลกแบนนะเราจะไปหัวเลาะว่าวาติกันบอกโลกแบนในตำราพิธรรมเขียนปีพันหกร้อยกว่าพรูเจ้าไม่ได้สอนเราะเราพูดถึงโลกแบนแบโลกเป็นชั้นชัชั้ น, นเหมือนขนมชั้นเลยส่วนเรื่องที่เป็นนมามธรรมเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยไม่มีที่ไหนสเสมอเหมือนในคำสอนเหล่านี้ มาพอนาพอไปอ่านปริยัตยิขนะเขาเรียกชื่อเป็นแต่ก่อนเรียกชื่อไม่เป็นแล้วมันตรงกับที่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างหลวงพ่อพุธเคยสอนบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดเนี่ยครูบาอาจารย์อีกบางส่วนนะชอบสอนมาให้คิดเอาให้คิดพิจารณานะเช่นให้ดูกายเป็นปฏิคูณนะสุภาษนี่ทำวิปัสนานะ หลวงพ่อพุธบอกว่าเป็นสมถะหลวงปู่เทสก็ว่าเป็นสมถนะนี่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่นะท่านสอนไว้อย่างนี้แต่ว่ารองๆองลองมาเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเคยทํามาแบบนี้เหมือนที่หลวงพ่อทำน น, นะแล้วมันปนกันนะท่านก็นึกว่าคิ ด, ค, ดคิดไปอย่างนี้แหละวิปัสสนานะที่แท้เป็นสมถะแต่ว่าไม่รู้เวลาทำนะทาครุกไปคลุกมานะบางคนน่ะหลงติดอย่างั้นะ ก็เป็นหลงพิณาร่างกายเป็นปฏิกรูนสุภาษพิณาร่างกายเป็นปฏิกรูนสุภ า, า น, น, น, นี่สมถาร้วนๆเลยนี่หลวงพ่อพูดสอนละเอียดอีกท่านสอนว่าถ้าจะคิดเนี่ยทำไมต้องคิดบางคนต้องคิดคือทําสมาธิมาแล้จิตมันนิ่งมันไม่ยอมเดินปัญญา น, นิ่งรู้ตัวอยู่เฉยๆแลนะนิ่งอยู่เฉยท่านว่าตรงเนี้ยต้องคิดคือคิดเพื่อนําร่องให้จิตเดินปัญญานี่ท่านพูดชัดเลยนะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเนี่ยไม่มั่วๆหรอก สอนชัดเลยคิดเพื่อกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานำร่องท่านใช้คำว่านําร่องให้จิตเดินปัญญาจิตมันเคยรู้ตัวอยู่เฉยๆก็พามันดูเห็นไหมร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องนําร่องเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่นําร่องเป็นอสุภะนําร่องเป็นอสุภะไปพามันดูอสุภะนั้นะไม่ใช่นําร่องแล้วพามันดูจริงๆนะเพราะนั้นสมถะกรรมฐานเลยลนะอยู่ในกรรมฐาน40ข้อเรื่องของสมถะ แต่ถ้าคิดว่าเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาอนะไรเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองกายนะให้มองความเปลี่ยนแปลงของกายมองความไม่ใช่ตัวเราของกายนะไม่เที่ยงเป็นไงไม่เที่ยงหมายถึงว่าของซึ่งไม่เคยมีเกิดมีขึ้นมานะไอ้ของที่ไม่มีนั้นก็ไม่เที่ยงหายไปแล้วของซึ่งกําลังมีอยู่นะอยู่ต่อมามันหายไปไอ้ของนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะ เป็นทุกข์เป็นยังไงของซึ่งกำลังมีอยู่นั่นแหละถูกบีบคั้นอยู่นี่เรียกว่าเป็นทุกข์อันนิจจังเนี่ยของไม่มีก็เกิดมีของมีแล้วหายไปอันนิจจังทุกขังก็คือของซึ่งกำลังมีอยู่นี่ถูกบีบคั้นอนัตตาเป็นยังไงอนัตตก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏอยู่เนี่ยถ้ามีเหตุก็เกิดถ้าหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่อนัตตาเนี่ยจะคิดพิจาร แต่ว่าใช้ไม่ได้จริงนะไม่ใช่วิปัสสนานะคิดคิดได้แล้วจะได้อะไรได้ความสงบคิดพิจารณากลายเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยได้ความสงบยังไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวันใดจิตตั้งมั่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วจิตมันเคยเดินปัญญามันจะเห็นขันแย่แยกตัวออกไปเองอย่างหลวงพ่อไปหัดจากหลวงปู่ดุลวันแรกนะขันแตกออกไปแล้วเพราะจิตเป็นตัวรู้ขึ้นมาขันแตกออกไปเลย เรจะเห็นมันเดินปัญญาได้แล้วเห็นขันแต่ละขันน่าเกิดดับตรงที่เห็นขันแต่ละขันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปนั่นแหละคือวิปัสสนาเห็นขันแต่ละขันซึ่งกําลังมีอยู่นะทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นตลอดเวลานั่นแหละก็คือวิปัสสนาเห็นทุกเห็นขันแต่ละขันทํางานไปเพราะมีเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่ก็เป็นวิปัสสนาเห็นอนัตตางั้นวิปัสสนานั้นต้องเห็นวิปัสสนาไม่ใช่คิด เพราะอะไรเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้ววิปัสนาปัสนะเพราะการเห็นไม่ใช่วิตกไม่ใช่การตรึกไม่ใช่การตรองวิจารไม่ใช่การคิดเอานะงั้นตัวนี้ต้องเข้าใจให้ชัดนะงั้นบางทีไปฟังบางท่านสอนนะท่านสอนปนๆคือท่านก็ภาวนาของท่านนรอนะแต่ว่าแยกไม่ออกนะว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสนา mm. และคิดว่าต้องทำอย่างนี้แหละซึ่งมันไม่ถูกหลัก คนไหนมีวาสนานะร้อยคนพันคนมีวาสนาก็หลุดไปได้คนหนึ่งคนไม่มีวาสนาก็ทําผิดผิดถูกๆ ก, กไปทั้งชาตินั่นแหละนะั้นหลักต้องแม่นหลักต้องแม่นหลวงพ่อนะพอไปอ่านอริธรรมแล้วนะแทบเขอะหัวตัวเองเลยเหนื่อยแทบตายด่าตัวเองห น, นึ่งในหนังสือมีอยูทั้งนั้นในตํารายมีอยู่ทั้งนั้นเลยนะค้นคว้าหาหาจิตนะหาดูไปแนละ้วบางทีไปหลงเอาเจตสิกว่าเป็นจิตความสุขเป็นจิตหรือเนี่ย ความโกรธเป็นจิตหรือไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกถ้าเคยเรียนนั้นก็จะง่ายแต่ถ้าเรียนมากนะเกาะตำราแจเลยไม่ดูสภาวะก็ไปต่อไม่ได้นะจะว่าบุญหรือหรือว่ากรรมที่ไม่ได้เรียนต่อไม่แน่หรอกถ้าเรียนคงเป็นอาจารย์อภิธรรมประปาเนี่ยนะคงไม่ได้ภาวนาหรอกคงเพลิดเพลินเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะต้องแม่นนะอันแรกเลย ถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะหลักนี้หลวงพ่อเรียนมาจากหลวงปู่สุวัสด์หลวงปู่สุวัสด์ท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านมาอย่างนี้ดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะดูกายเพื่ออะไรดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่ออะไรเพื่อให้รู้แจ้งอกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิต สอนขนาดนี้นะครูบาอาจารย์สมัยก่อนไม่มั่วข้อต่อมากดข้อต่อมานะอย่าเกินกายเรียนอยู่ในกายเรียนอยู่ในใจของตัวเองเรียนออกนอกใช้ไม่ได้หลวงพ่อเคยเรียนออกนอกกสินนี่เล่นนะใช่ไม่เล่นเล่นกสินเล่นกสินกระสินสิบอย่างเนี่ยลงที่เดียวกันหมดนะสุดท้ายมันก็ลงที่เดียวกันกลายเป็นความสว่างขึ้นมานเดียวกันหมดเลย นะลมหายใจพลิกแผลงออกไปได้เล่นสารพัดจะเล่นเลยนะอานาปานสติเนี่ยตัวลมหายใจนะพลิกเป็นกสินก็ได้นะใช้ทำสมถะได้ตั้งแต่ต้นจนสมถะชั้นละเอียดเลยนะแลวใช้กระทั่งทำสมาธิก่อนจเจริญปัญญาทีหลังก็ได้ใช้จเจริญปัญญาควบกับการทำสมาธิก็ได้นะ สารพัดจะใช้เลยเพื่อเป็นกรรมฐานที่อัศจรรย์กว้างขวางที่สุดในกรรมฐานทั้งหลายที่เคยเล่นมาจะเล่นมาแต่เด็กเลยค่อยได้กลักมันก็ได้ขึ้นได้ขึ้นเข้าใจอย่าเกินกายออกไปรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจอย่าคิดเอาจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีปัสฉนาแปลว่าการเห็นแจ้งปัสฉนาว่าการเห็นวิแปบลบว่าแจ้ง เห็นอย่างวิเศษเลยเห็นแจ้งเห็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์งั้นถ้าวิปัสสนาแล้วบอกทำวิปัสสนาเห็นร่างกายเป็นปฏิกรูณาสุภาษะไม่ใช่วิปัสสนาดังนั้นคิดเอาหรือเกิดนิมิตเอาว่าเป็นปฏิกรูณาสุภาษะปฏิกรูณาสุภาษะไม่มีสภาวะทำรองรับอย่างเราบอกชืี้หมาเนี่ยเป็นปฏิกูลแมงวันบอกว่าเป็นของหน้าพอใจถ้าไฟใช่ไหมคนเห็นไฟก็ไฟร้อนแมงวันไปเจอไฟไฟก็ร้อนเหมือนกัน ไฟของจริงนะแต่ปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริงความแก่จริงไหมความเสื่อมซามเสื่อมสลายจริงความดับมีจริงๆความเกิดมีจริงจรงความสุขความทุกข์มีจริงๆคนไทยสุขกับคนจีนสุขก็สุขแบบเดียวกันความรู้สึกอย่างเดียวกันนี่ของร่วมกันหมดของจริงๆไม่ใช่คิดเอาหรือคนไทยกินมคนจีนเจี้ย จะกินจะเจียจะอิทนะอันนี้ไม่ใช่สภาวะเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติสมมตุติเรียนวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมาไม่ใช่เรื่องราวที่คิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ด้วยการฝึกเปนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าทําตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ผ่านหรอกแต่ถ้าทําแบบมั่วๆนะคลุกไปครุกมาบางคนก็หลุดออกไปได้เหมือนกัน พวกที่มีบุญพ อ, อก็หลุดได้พวกไม่พอก็มั่วไปเลยหลงออกข้างนอกทิศทางไปเลยแต่ขั้นสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตไม่ว่าจะพอนา ม, มาอีท่าไหนนะงั้นถ้าพวกเราดูจิตดูใจ น, น่จะบอกให้เป็นกำลังใจขั้นสุดท้ายจะง่ายที่สุดเพราะขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะมาดูจิตเป็นตัวหลักเลยมันจะมาเด่นอยู่ที่จิตถึงดูกายนะจิตก็เด่นแค่จิตเป็นคนดูอยู่แนะ่นั้น สุดท้ายเวลาปล่อยนะปล่อยปล่อ ย, อยจิตพระนอนเอากายเป็นวิหารธรรมใช้ากายเป็นวิหารธรรมคืนสุดท้ายเราพระนอนเอากายเป็นวิหารธรรมถามว่าพระนอนดูกายหรือวิหารธรรมเป็นบ้านของจิตดูจิตนั้นการปฏิบัติในขั้นแตกหักเนี่ยลงมาที่จิตทั้งนั้นเลยถึงจะเอากายเป็นบ้านเอาเวทนาเป็นบ้านเอาสังขารเป็นบ้านนะหรือดูกระบวนการทํางานของ การปรุงแต่งความทุกข์ก็ปรุงแต่งนิวรณ์ปรุงแต่งโพชฌงค์แต่ละอันแต่ละอันนะก็ประกอบด้วยรูปธรรมนามารมทั้งหลายนะก็ดูเป็นวิหารธรรมท้ายมาลงมาที่จิตยั้นถ้าเราชำนิชำนาญเรื่องดูจิตนะไม่ยากนะขั้นสุดท้ายได้เปรียบบอกงี้แต่ขั้นที่สามเสียเปรียบหน่อยละกามยากหน่อยเพราะว่าดูจิต เวลาจะรักกรรมด้วยการดูจิตเนี่ยจะไม่เหมือนรักกรมด้วยการดูกายรักามด้วยการดูกายมันจะเห็นในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยหาสาระแก่นสารไม่ได้จิตมันก็ไม่เข้าไปยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลถั่วะก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่มีการปฏิฆาในรูปเสียงกลิ่นรสผถั่วพะถ้ารักกรรมด้วยการดูจิตเนี่ยจะเห็นเลยถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์ จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์อยากอะไรอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงนั่นเองอยากได้กลิ่นได้รสจิตไม่แส่สายออกไปนะไม่หลงออกไปยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสพทุทธะภายนอกแต่มาหลงยินดีอยู่กับตัวรู้นี้นะงั้นถ้าเดินมาถึงตัวนี้ต้องมาจัดการตัวรู้นี้อีกทีนะยากไปไหมวันนี้ปะเทศที่นี่นะปะเทศค่อยถึงใจหน่อยประเทศข้างนอกก็ต้องลดระดับไปเยอะเลย คนใหม่ๆมาเยอะแต่หลวงพ่อเพิ่งไปเทศที่ไหนมาหน้าข้างหลังเนี่ยเออเตียวหงคนใหม่ๆนะเกินครึ่งนะฟังหลวงพ่อเทศสี่สิบห้านาทีรู้ตัวจิตตื่นขึาา้นมาบางคนขันมันแยกได้เลยนะไม่เคยฟังซีดีไม่เคยฟังห น, นังสือเดี๋ยวว่าไอ้เวอร์ชันเตียวหงหลวงพงไปใส่เน็ตนอมั้งนะนะ ไม่น่าเชื่อว่าคนซึ่งไม่เคยฟังฟังแล้วปฏิบัติได้ภาวนากันได้เยอะแยะเลยตอนเนี้ยไปที่ไหนที่ไหนนะเดี๋ยวนี้คนแยกธาตุแยกขันเป็นนนับจํานวนไม่ท้วนเลยไม่ใช่แค่ตื่นนะสมัยก่อนนะที่หนึ่งวัดหนึ่งวัดหนึ่งมีคนตื่นสักคนหนึ่งก็หายากนะเดี๋ยวนี้คําว่าตื่นเราเฉยไปแล้วนับจํานวนไม่ท้วนแล้วนะ มันถึงขั้นแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์แล้วเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานไม่ได้ไม่ใช่วิปัสสนาหรอก น, นั่งคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาอเชิญไปทานข้าวนิมนต์ลยครับ